อาจสอนนำมาแนวในชีวิตจีว่าพอบอกความเท็ดความจริงแต่ผู้คนก็ไม่มีใครมาสุกโตนะ้พลังวางแผนไว้อยู่บางหนึ่งก็เข้าลงเยบาลหาเยี่ยตคนป่วยนับรองร ว, อว่าไม่หนวัดปอเพราะว่านั้นเป็นเรื่องที่ถูกต้องอาจารสอนให้คน เปลี่หลงเป็นลูกเปลี่ทุกข์เป็นลูกเป็นโกรธเป็นลูกเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ชอบที่สุดตาไม่บอกตรงนี้ถือว่าเป็นขวามขาตัวปกป้องตาได้บอกแล้วถ้ามีเคยทุกข์ก็ไม่มีความผิดของเราถ้ามีใคยโกรธก็ถือว่าไม่มีความผิดของเราเป็น เราเคยพูดเรื่องสิ่งเรดร้อมา4ี่สิบปีเมื่อมันเกิดปัญหาโรคร้อนขึ้นอนะ่ะการทำลายโลกมันก็ไม่ใช่ความผิดของเราเราเคยพูดเรื่องนี้มาสี่สิบกว่าปีแล้วเราไม่ล้มเหลวแต่การงานล้มเหลวต่างหากชีวิตเราไม่ล้มเหลว ไม่มีแหลกขาตโอบผองวันนี้ก็จะบอกพวกเราทั้งหลายที่อยู่ที่นี่เปี่ยนพยายามเปลี่ยนหลงให้เป็นลู่ให้ได้เป็นอาชีพอะไรบนหลงให้มีความลู่อูตรงนั้นอย่าให้ห่างเหิน ถาจะเป็นมกนุฏนิพพานให้เป็นมกนุฏนิพพานเป็นชีวิตประจําวันดังคาสอนของทิเบตว่าฟังเสียงทุกเสียงเหมือนเสียงพระสวดม น, นดูคนทุกคนเหมือนพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนมี น, นิพพานอยู่ที่นั่นนี่คือทิเบตเขาสอนกันอย่างนี้ มันก็เป็นเรื่องเดียวกันอย่างที่เราสาธยายพระสูตรว่าการทำพระนิพพานให้แจ้งมีร่วมเห็นชอบอยู่โดยช่อด้วยโมกุลนอมสูงสุดการทำพระนิพพานใน้แจ้งกานอยู่โดยช่อด้วอเราสาธยายพระสูตร ถือว่าเป็นมงคลชีวิตเราควรจะไม่ให้ห่างไกลกับพระเนาพนานพระเพปานคือไม่เป็นอันางผู้ใดมีจิตอันธุลีไม่กระทำในโลกกระทำครอบมั่งไม่ได้เป็จิตที่ไม่พ่ายแพย้เป็นจิตที่เป็นไม่มีธุลีครอบมั่ผู้นั้นถือว่าเป็นมงคลอันสูงสุด โลกก็ะทำครอบมั่งไม่ได้คือสุขคือทุกข์ครอบมั่งไม่ได้ลูกกระทำคือสุขคือทุกข์ผู้ที่อยู่เหนือสุขเหนือทุกข์หรือว่าเป็นมงคลหรือว่าทำปณิพานให้แจ้งปณิพานก็คือเหนือสุขเหนือทุกข์ดังพระเจ้าเข้าสูป่ปณิพันแ์ละสุขและทุกข์เสียได้ มีสดีแล้วแล้วอยู่โอ้เจ้าว่านี่ผานที่ตรงนี้อยู่ที่ไหนก็อยู่กับเรื่องนี้ณะสุขหรือทุกข์เสียไดนะ้ไม่ใช่ไปที่ไหนบ้านไหนเมืองไหนอยู่ที่ไหนมีนิพพานแบบนี้มองอะไรให้มันทะลุทะลวงอย่าให้เป็นกำแพงง่ายง่าย เปลี่ยนหลงเป็นรูปมาง่ายถ้าหลงเป็นหลงมันยากเปลี่ยนโกรกเป็นรูปเปลี่ยนทุกเป็นรูปเปลี่ยนผิดเป็นรูปเปลี่ยนผูกเป็นรูปไม่มีคำว่าผิดไม่มีคำว่าถูกไม่มีคำว่าได้คำว่าเสียไม่ได้เห็นอะไรที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตประจาวันไม่เห็นอย่างเข้าไปเป็นนี่คืออยู่โดยชอบ มาใช่อยู่สุกตูไม่ใช่อยู่ที่ไหนอยู่ตรงนี้อยู่คนเดียวก็อยู่ตรงนี้อยู่กับหมูก็อยู่ตรงนี้ที่ว่าอยู่โดยชอบก็อยู่อย่างนี้ไม่ใช่อยู่ที่ไหนที่กาหนดว่าที่นี่สงบดีไม่ใช่หรือมั้อยู่โดยชอบก็อยู่ที่ไม่เป็นอะไรกับบลากระเนีย เราก็ทําได้ทุกคนไม่มีใครทำไม่ได้ปฏิบัติได้ให้ผลได้การทำอย่างนี้ไม่ยากไม่เหลือวิเัยที่เราจะทําได้โดยเจ้าหของสอนในสิ่งที่เราทําได้ทุกคนสิ่งไหนทําม่ได้ไม่ใช่ของสอนผู้เจ้าถ้าสอนนั้นเพิ่งสอนเื่นไม่ใช่คําสอนของผู้เจ้า ที่เจ้าสอนเราเพิ่งตนเองมันหลงเปลี่ยนหลงผลลูกตอานี้เราเพิ่งตนเองไม่ใช่ให้คนอื่นมาช่วยเราจะทำไม่มีใครช่วยกันได้เราต้องรู้จักช่วยตัวเองผลส่งตัวเองต้องหลุดพ้นจากปัญหาต่างๆมาอยู่ที่เราท้งนั้นปัญหาเป็นปัญญาของเรา อาจจะเป็นปัญหาคนอื่นเกิดเป็นปัญญาของเราอย่างนี้อ่ะเลยไม่มีอะไรทําทั้งวันฉันไม่ได้ทําอะไรเลยแต่ถ้าเราไม่มีหลักมันก็ยุ่งยากการงานยุ่งเหยิงสับสนไม่เป็นมงคลอนามคุลาจกิกมบันตานะเอตัมมังกรบุตรตมะ อันนานไม่ยุ่งเหยิงสับสนอันนี้เป็นมงคลใ น, นสูงสุดไม่มีอะไรยากเห็นมันไม่มีอะไรง่ายเห็นแต่เห็นมันการเห็นไม่เป็นเนี่ยมันปะม่าเสมอมันเป็นอวตารของชีวิตถ้าเป็นไปกับสิ่งตา่างๆชีวิตที่โบกคร้องพ้องอยู่ประนิดไม่ดูจากอิม่ม นั่นเป็นโลกสมบัติของโลกชีวิตเราคือไม่เป็นอะไรเนมันอิม่มอิ่มอย่างนี้เลยวาบุญคืออิม่มคือเต็มไม่โปะพองเป็นชีวิตที่สมบูรณ์แล้วก็มีแบบในชีวิตเราถ้าเป็นชาติกัเปันชาติที่สมบูรณ์ที่สุดชีวิตเราเนี่เป็นมนุษย์เป็นจดปเสริด เพื่อการนีหลวยตรงไม่ใช่ไปตทำอย่างองื่นมนุษย์ไปสูงสูงคนไปต่ําๆำเช่นอันทุกมนุษย์เห็นเหมือนทุกอันเป็นมนุษย์ถ้าคนเป็นผู้ทุกอันนั่กว่าคนไปทางต่ําสุขเป็นผู้สุขไปทางต่ําเห็นเหมืนสุขไปสูงสูง มนุษย์มักจะไปสูงสงแบบเนี้ยไม่ใช่ขาสองแขนสองเป็นมนุษย์เป็นลักษณะที่มีการกระทาที่บ ง, ง, งบอกทั้งความมนุษย์มนุษย์คือผู้ใจสูงเหมือนหนุ่มโยงทีดีที่เหลขนถ้าจิตใจมันํำเป็นได้แต่เพียงคนต้องเสียทีที่ตนได้เกิดมา นันถ้าคานเนี่ไปตกนรกเป็นสุขเป็นทุกข์ไปสู่นรกเท่ากับผลของโโห ม, มนุษย์เห็นมันสุขมันทุกข์ไปตนกนรกเท่ากับเขาโโหมีน้อยนิดเดียวเพราะเห็นไม่เป็นเนี่ยน้อยที่สุดที่จะเป็นไปสู่นรกจนมากก็เหนือเหนือไปแล้วไปเมืองบนเห็นคนฉีดช่าง ไปมังล่างเห็นช่างขี่คนมังบนก็เลยคือมนุษย์เห็นมันสุขนกะขี่ช่างเห็นมันทุกขี่ช่างแล้วนะไปมังล่างเห็นช่างขี่คนได้เป็นผู้สุขก็ต่ําแล้วช่างขี่แล้วเป็นผู้ทุกข์ตัวช่างขี่แล้วช้างขี่คนเป็นสุขตัวช่างมัน เหยียบแล้วเป็นทุกข์ช่างมันเหยียบแล้วจึงหัดตรงนี้ให้เป็นทําให้มัเมนเป็นฝึผลตนเองมันจะยากต้องมาทวนกระเสือทีแรกถ้ามันขึ้นได้แล้วง่ายๆมันเราถีบจักรยานขึ้นโมมันจะทวนกระเสือสักหน่อยวันศุกเห็นวันศุกทวนนิดหน่อย มันทุกข์เห็มันทุกข์หว น, นิดรอยก็มาขึ้นได้แล้วมันก็ง่ายเหมืนก็ลดถขาลงเมื่อเราหัดขับจั ก, กรยานต่อใหม่ใม่นี่ก็ไม่ใช่เราพารถไปรถพาเราไปกาจะไปทางหนึ่งรถมันไปทางหนึ่งถ้าทำเป็นแล้วไม่รู้ว่าคนหรือรถไม่รู้เจ้าตัวเองขับรถ มันไปของมันเองเราอยากไปไหนก็ไปมันอยู่กับเราจิตที่ผึกดีแล้วก็เหมืนกันเป็นเช่นนั้นเราอยู่ตรงไหนเป็นจิติของเราไม่เกี่ยวไม่ระวังไม่สำมรวม์พเพราะมันเป็นแล้วเราจึงทวนกระเฉอชั่ง น, นอนอีกแล้เหมือนว่าสิริตะ วันตัดชะลูกเรื่องนี้เกิดขึ้นฉันเข้าหนังสุชดาสุชฉดาถวายเข้ามาทุกระญาติพร้อมตั้งถาดเอาถาดไปเชียงในน้ำในหลันชลาถ้า จ, จะได้ตัดชะลูกห้อยถาดนี้ไหลทวนกระแสเมื่อกว่าถาดไหลทวนกระแสไม่น้ำคืออะไรเป็นปุกราธิฐาน ถ้าเป็นทบาทที่ฐานก็หมายถึงจิตนี่แหละจิตเหมือนภาชนะทองรองรับพุทธพจน์พระธรรมเทศนาต้องเป็นภาชนะทองรองล็บไม่ซุ่มเหมือนเราจะไปรับน้ํามันน่ะน้ามันนี่ไม่มีอะไรที่เก็บรับมันได้นอกจากภาชนะทองแต่ถ้าบางคนมี หม้อกับเบื้องไปรับน้ํามันก็รับได้ถ้ารู้จักฉลาดทำยังไงเอาหม้อกับเบื้องไปรับน้ํามันน้ํามันจะไม่ซึมเราทำวิ่ไหนน้ํามันจะไม่ซึมบอกหมดกหม้อดีน่ะมันซึมมันฉลาดก็หม้อดีนไปแค่น้ําให้มันอิ่มก่อน เรเชื่อน้ำ ม, มันอิ่มแล้วไปใส่น้ำ ม, มันมันก็ไม่ซึมมันอิ่มตัวอยู่ในตัวของมันเองชีวิตของเราก็เช่นกันก็ไม่เป็นอะไรที่มันอี่มแล้วไม่พองแล้วไม่มีอะไรที่จะเติมเข้าไปได้ถ้าเรียกว่ามรควนในพานคือเต็มมรควนในพานคือว่างถูกทั้งสองอย่าง อันหนึ่งว่างอันหนึ่งเต็มถ้าเป็นมรรคผลให้ผ่านว่างก็ถูกเต็มก็ถูกเต็มไปด้วยอะไรเต็มไปด้วยก็ไม่เป็นอะไรว่างไปด้วยอะไรว่างไปด้วยกันเป็นอะไรทั้งหมดตอบได้สองลักษณะนี้สาวคนลึกสุดจึงว่างจากความหมายแห่งความเป็นตัวตนอ๋ตัวตนที่จะเป็นสุขเป็ทุกข์ไม่มีมีแต่ธรรมชาติมีแต่อาการ กายก็เป็นธรรมชาติใจก็เป็นธรรมชาติที่มันโกรธมันโลภมันหลงมันสุขมันทุกข์เป็นอาการที่เกิดขึ้นทั่วข้างชั่วคราวลูกก็เป็นอาการมันร้อนมันหนาวก็มันร้อนมันเป็นหนาวมันเป็นปวดมันเป็นหิวไวม่เป็นมันก็ไม่ใช่ลูกสีที่มันเป็นอาการนั้นลูะอาการของลูกไม่ไใช่เป็นสุขเป็นทุกข์เป็นอาการ ไม่มีค่าทุขไม่มีค่าทุกข์ไม่มีค่าจืดไปเลยไม่มีค่าแตยก่อนสุขมีค่าทุกข์มีค่าถ้าสุขก็เป็นสุขมีค่าถ้ทุกข์ก็เป็นทุกข์มีค่าทุกข์เป็นทุก ข, ข, ข์หรืค่าของความทุกข์สุขคือสุขค่าค่าของความสุขผู้ที่เห็นไม่เป็นได้ว่า ถ้าเป็นนิพพานก็เต็มไปด้วยความไม่เป็นอะไรถ้าเรียวว่างก็วางจากความหมายแห่งความไปตัวตนอย่างนี้จึงฝึกตนสอนตนอยู่เสมอเวลาใดที่มันผิดสอนให้มันถูกให้มันรู้ถ้าสอนในเวลามันผิดไม่ได้สอนก็พลาดทีแล้วถ้าผิดเป็นผิดไปสุกเป็นโูกไปก็พลาดอยู่แต น, นั่น เมื่อมีการเริ่มต้นลาควจรจะลาผิดรูสึกตัวข้าวงถูกรูสืบตัวเข้ามาผิดข้างหนึ่งลูกข้างหนึ่งผิดสองข้างรูสองข้างทุกข้างหนึ่งลูกข้างหนึ่งทุกสองข้างรูสองข้างไม่ยว่ารูเท่ารููถัดถ้าสัมผัสลองรูมันจะเคยกิน ง่ายง่ายถ้าชัดทีแรกอาจจะยากสักหน่อยเรื่องความโกรธอาจจะอดทนรงไม่พูดในเวลาโกรธไม่ทำสิ่งใดๆในเวลาโกรธอดทนอดขั้นไว้ก่อนกลมไว้ก่อนทีว่าจะถังครับยืมุดจุดพ้นพระกลมว่้เหมือนฉลาทับยาเอาหินไปทับไว้ก่อน ยากขึ้นไม่ได้ถระนานไปนอนไปของไหวของไหวก็หลุดพ้นแต่ว่าเวลาหินออกยาวขึ้นได้เรียกว่าสมถธรรมฐานรุดพ้นเหมือนกับหินจราทับยากตัวนี้ปัจจณากรรมฐานพ้นเหมือนกับถอนลอกถอนโคนเห็นแจ้งลงหลงไม่ถูกต้อง มไม่หลงถูกต้องไม่มีเครเอาความหลงได้นี่แต่เรือ ก, กับาความไม่หลงนี่เรียกว่าวิปัชนงางยามไม่มีคำถามหลงแบบไงรู้แบบไงไม่มีคำถามสัมผัสเราคําเป็นอันนี้อยู่ที่ไหนมีนิพพานอยู่ที่นั่นไม่มีอะไรกับอะไร แม้จะไม่สุขไม่ทุกข์ไปเห็นมันสุขมันทุกข์ไม่เปลี่ยนผู้สุขผู้ทุกข์ก็ใช้ชีวิตแบบนี้นั่งปฏิบัติไปนอนก็ปวดห้องปวดเอวก็เห็นมันปวดไม่เป็นผู้ปวดเห็นชีตัวภาวะที่เห็นก็เจยก้าขึ้นไม่เป็นอะไรกับอะไรง่ายๆมันม่นคงมั่นคงไม่หวั่นไหว เมือนพูเขาสีดาทั้งทึบไม่จเจรนเพาะลมบันดิดดตผู้พวกตนเดี๋ยวไม่หวั่นไหวเพราะเนินชาสันสนจบทุกทำอะไรไม่ได้เพราะหมือนเจก็ดังนี้พิจูกันดูเถอะพวกเราอย่าไปเชื่อใครงา่ายๆสัจธรรมต้องช่วยตัวเองถ้าใครสอนให้เอามาพึ่งเราไม่ใช่สติธรรม ถ้าอันใดสอนให้เขาพึ่งเขาหนาคือสัจธรรมคนหลงคุณหลงเองก็ต้องเปลี่ยนความหลงเอาเองนี่สัจธรรมเป็นอย่างนี้ผู้เจ้าก็ช่วยคนได้ช่วยตัวเองถ้าใครไม่ช่วยตัเองผู้เจ้าก็ไปช่วยช่วยไม่ได้แต่ช่วยคนได้ช่วยตัวเองเราจึงต้องอยู่กับหมูก็เหมือนก็อยู่คนเดียวอยู่คนเดียวก็เหมือนกับอยู่กับหมู คนเดียวขวนหายสองคนพื้นลมตายสามคนกับบนันไดอันนี้เป็นจริงคนละอย่างกันทีน่เราเจ็บแค่ได้ป่วยถ้าอยู่คนเดียวก็ขวนหายไม่มีขี่พึ่งเคยป่วยเคยเจ็บไม่มีใครอยู่เป็นเพื่อนสมัยสามสิปีมาแล้วอยู่ที่นี่กดูกที่โครงหัก ตกกติปะตีพาหักยังไม่ดีเลยมาพักที่นี่พูดเจ้าหน่อยได้ไหมเหมินนั่นเหินตกพังๆไปดูนี่แหละแค่นอนอยู่ชะลาไก่กติยังไม่มีนะสมัยนั้นมีชะลาไก่แคนอนอยู่ก็เสียงไก่มันร้องขอความช่วยเหลืออ๋อก็ ฝนก็ตกถ้าฟังเสียงแล้วเหมือนเสียงขอล้องช่วยด้วยหลวงตาช่วยด้วยมันก็ลนอไม่ได้ลุกไปต่องไปฉายตนน้ตนในโคต้นใกล้บันไดฉลาไก่มันเป็นตอตอนน้นในโคขึ้นหุ้มตอเหมือเป็นโองหน่อยนึงที่ตอหนะนึ่งในโคจะหุ้มมาท่วม มีอยู่แค่น้อยนะไก่ไปไข่ที่รั่นพอดีกลางคืนงูไปเขี้ยวมันจะกินไข่ก็ส่องไปฉายไปเดินงูเขี้ยวแม่ไก่อยู่ไก่ดิ้นออกมาได้งูก็จกใต้ อ, อกกินไข่เราไปไล่มันจะชูคอมาใส่เราไล่ไงก็ไม่หนีอันชูคอมาไล่ก็ไม่หนี ไม่ไปเตะไปทำอะไรก็ไปนี่เราจะทำไงก็ เ, เลยขึ้นไปสลาไก่ต่เอามีดมาไปตัดไม่ไผ่มาปาดเป็นผ้าฉลาเนี่ยฝันทางนี้ฝันทางนี้มันเป็นหน้าม้ามนันนยงูโชกโตก็ต่งไปใสยดีงูอะหัวมาอยู่เนี่ยใช่ไหมงูตกมาก็ใช้ไปนอน แล้วก็แข่ไก่ก็ไม่หนีไปไหนขอบคนณน้องตาแข่ไก่มันว า, างกันแล้วมันก็ขึ้นไปนอนพอดีงูออกไปแล้วก็เดินขึ้นสลากไก่ขอดีที่ฝนตกมันชายคามันไหลลงมาไปถูกดินที่นั่นดินใหม่ฝนใหม่มันลื่นแล้วก็เลยสลากไก่ล่มลง ม, มาทับกระดูกที่โครงที่มันหัก ลุกไม่ขึ้ น, ลนแล้ำบักแล้วฝนก็หยดลงมาใส่หน้าลุกก็มาขึ้นถ้าจะเรียกใครมาช่วยก็ไม่มีใครอยู่คนเดียวสนุกทุกไหมไม่ทุกสนุก ห, อออหอออัวโล่ตัวเองหัวโตัวเองแล้วไงอ่ะเปียกก็เปียกนอนเกียกขี้คนอยู่ฝนตกมานอนวนหายไหมอยู่คนเดียว มีว่าไหมแบบนี้มีไหมแล้วก็ทําไงเอ้ยดีลำตัวจะลุกขึ้นก็จะเจ็บมามันก็ลุกไม่ได้เอาอย่างนี้ดีไหมกั้นลมหายใจน้องกั้นลมหายใจ แ, แน่นเลยลุกขึ้นนี่สูตรนี่ดีนะจําไว้นะเราหายใจให้มันแน่นท้องปลอดมันแน่นมัน ก็ชี้โครงมันไม่บีอะไรซุยมันกระดูกกระเดกมากมันน่นด้วยลมลุกขึ้นมาค่อยนั่งขึ้นมาพอนั่งก็เอามือกอดเสาค่อยๆกั้นลงมาใจเปลยินขึ้นมาก็หอมกั้นลงมาใจไปถึงที of, so, ่นอนนอนเฉียกขี้คนแล้ววันนั้นจะอาบน้ำก็ไม่ละสนุกไหมสนุกนอนกันหลับสบายตื่นขึ้นมาชี้คนแห้งหมด นี่อยู่คนเดียวไปอย่างนี้ถ้ามีหลวงปู่ก็คงอยู่ด้วยหลวงปูมาช่วยด้วยใช่ไหมอาจจะยอช่วยกั็อยู่คนเดียว่นคนเดียวก็ไม่ดีนะสองคนก็ไม่ดีสามคนดีที่สุดเก็นั้นคนเดียวคนหายโบราณท่านว่าสองคนเพื่อนร่มตายสามคนกลับบันได้ถ้าคนหนึ่งเจ็บป่วยคนหนึ่งต้องอยู่ด้วย แต่ว่าจะไปเอาญาดไม่ได้ถ้าจะทิ้งไว้ก็ใจขาดอยู่แล้วต้องกอดอคอนตาง อ, อยู่สองคนพืดลมตายทั้งสามคนคนหนึ่งไปเพี่น้องมาเหมาลถมานานกลับบ้านได้ราะนั้นไปไหนโบราณท่ า, นาคนเดียวควนหายสองคนพื้ลมตายสามคนกลับบ้านด้ถ้าไม่เก่งนะได้เก่งก็ไปเถอะโดยเจ้าเรียกว่า มุตตะทนที่ไม่เจียงด้วยว่านิสใชมุตตะดังช่วยเดึองไม่เป็นต้องอยู่กับครัวจานอย่างน้อยห้าปีเพื่อฝึกถ้ายังไม่ฝึกถึงห้าปีเรียกว่ามุตตะไปไหนเวลาต้องอบัตแต่เม่นไว้แต่ผู้ที่มีสติดีไปคนเดียวได้ไม่ถึงห้าปีก็ได้ว่าฝึ ก, กจิตใจดีมัน อันนี้ไปได้คนเดียวไปได้ถ้ายัางไม่เจงอย่าไปเดี๋ยวตายซึ่งไปเปล่าๆ เ, เป็นทุกข์เดือดร้ อ, อนถ้าเจงอะไม่ได้เลยหัวาลาะฝนตกไม่ทุกข์เลยเนี่นเราต้องฝึกตัวนี้ให้เกิดขึ้ชีวิตเรานะ่ะจิบก็จิตคนเดียวนะตายก็ตายคนเดียวเราจะพึ่งใครเราต้อง มองเอาไว้นะเตรียมเลิดสงบหลับึกยอมสึกหลัลบกปนนกลกโนเตียม